จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจูุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์ที่15มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาตักตวงประโยชนย์ที่ควรจะได้นับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีประโยชนย์อันใดที่ใครจะสามารถตักตวงได้เท่ากับการมาเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เมื่อได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะสามารถศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้และสามารถนําเอาไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นถ้าได้มาเกิดเป็นสุนัขหรือเป็นแมว แล้วมาอยู่วันก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้นอกจากได้รับความเมตตาไดีที่อยู่ปลอดภัยมีอาหารรับประทานเท่านั้นแต่จะไม่สามารถศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ไม่หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้ า, ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสั่งใครสอนใครบอกวิธีการหลุดพน้นจากความทุกข์ก็จะหลุดพน้นไม่ได้ต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมกัน เหมือนกุญแจต้องมีตัวแม่กับในตัวลูกถึงนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฉันใด <c oughs> การมีพระพุทธศาสนาและการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้าได้มาพบกันว่าไห่ก็จะได้เป็นโอกาสได้ประโยชน์อันมหาศาลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถให้ได้ ต่อให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องเป็นมนุษย์และต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สั่งสอนแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติก็จะไม่ได้รับประโยชน์ จากพระพุทธศาสนาจากการมาเกิดเป็นมนุษย์คือจะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่เอาไปขึ้นรางวัลถูกแล้วก็เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาเกิดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราควรจะทำอะไรกันเราก็ต้องเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลกัน ถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็เป็นกระดาษเปล่าๆใบหนึ่งที่ไม่สามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้แต่พอถูกลอตเตอรี่แล้วเราก็นำมาไปขึ้นรางวัลเราก็จะได้เงินทองมาเป็นล้านแล้วสามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ฉันใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนา ก็เหมือนกับการที่เราได้ถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อเราถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วสิ่งที่เราต้องทำเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราจะต้องการรางวัลรับรางวัลอันนี้เราก็ต้องไปขึ้นรางวัล วิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือต้องไปศึกษาไปศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าวิธีที่จะขึ้นรางวัลนี้ทําอย่างไรพอรู้แล้วเราก็นําเอาไปขึ้นรางวัลได้เอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติเราก็จะได้รับรางวัลได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้หลุดพ้นกันท่านก็เป็นผู้เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราท่านก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับพวกเราแล้วท่านก็ไปฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษา คำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าว่าส่งให้กระทำอะไรบ้างพอทราบแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติไม่นานจิตใจของท่านก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปกลายเป็นพระอารหันตสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นผู้ที่ จะมาช่วยผู้อื่นในการเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปนี่คือความเด่นของชีวิตของพวกเราในภพนี้ชาตินี้การได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้พบกับพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้สองอย่างนี้แล้ว ท่านต่อไปเราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาก็มีหลายวิธีสมัยโบราณเขาก็ศึกษาด้วยการฟังเพราะไม่มีวิธีอื่นคนอ่านหนังสือไม่เป็นก็ไม่มีแลวก็ไม่มีใครจะลึกธรรมะคำสอนไว้ในหนังสือก็ต้องอาศัยการฟังกันเรียกว่าการฟังเทศฟังธรรมจึงมีธรรมเนียม ให้มีวันธรรมสวระขึ้นมาวันธรรมสวระนี้แปลว่าวันฟังธรรมคือวันพระนี่เองทุกแปดวันเจ็ดวันนี้เราจะมีวันพระหนึ่งวันเพื่อให้ชาวพุทธเราได้หยุดการทางานทำการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้มาวัดเพราะวัดเป็นที่จะมีการแสดงธรรม ผู้ที่แสดงธรรมก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพรธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนได้รับผลแล้วท่านก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราอีกต่อห น, นึ่งพวกเราก็ต้องหยุดทำงานกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันสมัยนี้วันหยุดทำงานของพวกเรามักจะไม่ตรงกับวันธรมมรมสวัสวันพระ เพราะวันพระนี้เขาใช้ปฏิทินของจันทรคติคือดูการเคลื่อนไหวของพระจันทร์ดูว่าขึ้นกี่ข้ามแลนกี่ขั้มซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันใดวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากเสาร์ก็ไปเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์ก็ไปเป็นวันจันทร์แต่สมัยนี้พวกเรา ต้องทำมาหากินแล้วก็หยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันดังนั้นบางทีวันพระวันธรรมศสวานะก็เลยไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของพวกเราพวกเราก็เลยพลาดโอกาสอันดีงามที่จะศึกษาวิธีให้เราไปขึ้นรางวัลกันเราจึงต้องมาปรับวันพระของเราใหม่เราต้องเอาวันที่เราไม่ทำงานนี้มาเป็นวันพระ คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วเราก็มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันหรือถ้าเราไม่สามารถมาได้สมัยนี้เราไม่ต้องมาวัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ธรรมะนี้ไปถึงบ้านเลยมีหนังสือธรรมะก็อ่านได้มีแผ่นซีดีก็เปิดฟังได้มีสื่อทางอินเทอร์เน็ตก็เปิดดูได้สามารถ ฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลาทุกขนทุกแห่งดังนั้นถ้าเรามีความขวนขวายมีความตั้งใจ <c oughs> มีความพยายามที่จะศึกษาเราจะได้ความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเราจะได้รู้ว่าวิธีที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นทำอย่างไร พอเรารู้แล้วเราก็จะได้นําออกไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ด้วยการปฏิบัติสขั้นตอนขั้นที่หนึ่งคือให้เราทําทานให้เราเอาข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เอามาทําบุญทําทานกันแล้วขั้นที่สองก็ให้เรารักษาศีลกัน ไม่ไปทำเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำบาปแล้วขั้นที่สามให้มาเอามาภาวนามานั่งสมาธิมาทาใจให้สงบแล้วก็มาเจริญปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดถ้าเราสามารถทำสามขั้นตอนนี้ได้เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ว่าอริยะสงสาวุกทั้งหลายท่านก็ทําตามขั้นตอนนั้นนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนี้ท่านก็ทําทานมีเท่าไหร่ท่านก็สละหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สละหมดเราก็ยังจะติดอยู่กับการมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเราก็จะอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาความสุขด้วยวิธีต่างๆซึ่งเป็นวิธี ที่จะทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดวิธีหาความสุขด้วยการใช้เงินใช้ทองทำตามความอยากต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่แท้จริงแต่เป็นวิธีหาความทุกข์เพราะมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยถ้าเราใช้เงินทำตามความอยากซื้อของํามตามความอยาก ใช้เงินทองไปเที่ยวตามความอยากความอยากนี้มันจะไม่หมดมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราเคยเที่ยวกันมาตั้งมากน้อยเพียงไรเราเคยซื้อของที่เราอยากจะซื้อมามากน้อยเพียงไรแล้วความอยากซื้อของความอยากเที่ยวนี้มันหมดไปหรือยังมันทำให้ใจเราพอหรือยังทำใจให้เราอิ่มหรือยัง มันไม่เคยมันมีแต่ทำให้เราหิวทำให้เราอยากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือเหตุที่จะทำให้เรากลับมาเกิดเพราะว่าเวลาร่างกายของเราตายไปแล้วแต่ใจของเรากับความอยากของเรานี้มันไม่ตายไปกับร่างกายความอยากมันก็เลยดึงให้เรามาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาทุกกับร่างกายอันใหม่ พราะจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องปากกัดตีนถีบเลี้ยงปากเลี้ยงทองทํามหากินด้วยความเหนื่อยยากเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงดูร่างกายนี่คือวิธีหาความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ด้วยการใช้เงินทองก็คือเอาเงินทองไปทำบุญเอาไปทำทานเอาไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นเช่นช่วงนี้มีฝนตกน้ําท่วมอยู่ภาคใต้เรามีเงินทองก็บริจาคไปซื้อข้าวซื้อของส่งไปอันนี้จะทำให้เราตัดความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากต่างๆได้ ถ้าเป็นการเดินทางก็เป็นเหมือนกับการถอนสมอเรือเราจะเดินทางไปพระ น, นิพพานเราจะเดินทางออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องถอนสมอเรือก่อนถ้าเราไม่ถอนสมอเรือเรือก็ไม่สามารถวิ่งไปได้ไม่ได้ไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าเราต้องการให้เรือเราวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง เราต้องถอนสมอเรือเราต้องหยุดการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆเอาเงินทองนี้ไปทำบุญให้หมดเลยอย่างพระอริยสงสารุกอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านมีเงินทองเท่าไหร่ท่านสละให้คนอื่นหมดเลยท่านไม่เอาไม่ต้องการที่จะมีเงินทองไม่ต้องการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเหมือนกับพวกเรานี่ ยังต้องใช้เงินทองซื้อข้าวซื้อของซื้อรูปเสียงกลิ่นรถซื้ออะไรต่างๆนานาการซื้อของแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้เราไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะอะไรเพราะเราจะไม่สามารถไปปฏิบัติขั้นที่สองและขั้นที่สามได้ขั้นที่สองคือการรักษาศี ขั้นที่สามคือการภาวนานี้ถ้าเราจะต้องการปฏิบัติอย่างเต็มที่เราต้องไปบวชกันอย่างพระนี่ท่านมาบวชกันเพราะท่านต้องการมีเวลาที่จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วท่านต้องการที่จะมาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเพราะจะเป็นวิธีที่จะทำลายความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวฉุดลากให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน <c oughs> ดังนั้นถ้าเราอยากจะไปสู่ขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามเราก็ต้องบอยจากเงินทองให้คนอื่นไปให้หมดแล้วก็ไปบวชกันอย่างมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของลูกศิษย์หลวงปู่มั่นชื่อหลวงปู่พรม ตอนก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็เป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีนามีไร่มีวัวมีควายแต่ท่านไม่มีลูกแล้วท่านกับภรรยาก็ชอบไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมจนถึงขีดที่อยากจะออกไปบวชกันท่า น, นก็เลยประกาศบอกชาวบ้านว่า ใครต้องการงัวต้องการควายต้องการบ้านต้องการที่ดินต้องการทรัพสมบัติให้มาขอได้ท่านยินดีที่จะแจกจะเสียสละแล้วท่านก็แจกจริงๆแล้วท่านก็ไปบวชกันหลวงปู่พรมก็ไปติดตามศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นจนในที่สุดท่านก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมา การที่กระดูกกลายเป็นพระท่านนี้เป็นการยืนยันว่าจิตใจของท่านนี้ได้พ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องทำกันต้องไม่ยึดไม่ติดกับอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ยึดติดกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไม่ยึดติดกับความสุขที่จะได้จากทางร่างกาย จากการร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองจากการกินกันรับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจากการไปเที่ยวดูมหัรลศพบันเทิงต่างๆผู้ที่ต้องการไปสู่การหลุดพน้นต้องตัดสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับเรือที่ไม่ได้ถอนสมอเรือต้องตัดมันด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้ไม่พอ สินห้านี้ยังทำให้เราปล่อยให้เราไปเที่ยวได้ปล่อยให้เรานอ น, อนกับแฟนได้ปล่อยให้เรากินอาหารเย็นได้ถ้าเราอยากจะไปจากโลกนี้โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้องตัดทุกอย่างด้วยการไปบวชกันถือศินแปดบวชเป็นชีก็ได้บวชเป็นพระก็ได้ถึงแม้ว่าไม่มีภิกษุณีก็ไม่เป็นปัญหาอะไร การบวชนี้บวชเป็นภิคเป็นแม่ชีก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้เป็นพระก็ได<ม>เ้เหมือนกันรักษาศีลเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันสามารถบรรลุธรรมได้อย่างมีลูกศิษย์วงปู่มิีคนหนึ่งก็เป็นแม่ชีเธอชื่อคุณแม่ชีแก้วมีหุ่นขี้พึ่งของเธออยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดยาเนี่ยมีแม่ชีอยู่สองลูก แม่ชีกอเขาสวนหลวงกับแม่ชีแก้วท่านสองคนนี้ก็ถือว่าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดแล้วท่านก็ออกปฏิบัติเหมือนกับพระนั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วในที่สุดท่านก็สามารถทําลายกิเลสตัณหาต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิดให้หมดไปจากใจของท่านได้ดังนั้น ไม่จําเป็นจะต้องบวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นแม่ชีนี่ก็พอแล้วรักษาศีลแปดได้นี่ก็เหลือเฟือแล้วรักษาศีลแปดเือรักษาศีลสิบ น, นี้ให้ได้ก็พอกับการที่จะไปภาวนาแล้วการรักษาศีลนี่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปทำกิจกรรมที่เราไม่ควรทำกันนั่นเองเช่นไปนอนกับแฟนไปกินข้าวเย็น ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันอย่างนี้มันจะทำให้เราไม่มีเวลามาภาวนากันมาทำใจให้สงบมาสอนใจให้ฉลาดกันดังนั้นเราถ้าอยากจะไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องรักษาศีลแปดกันบวชกันแล้วเราต้องปฏิบัติตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะวันพระอย่างที่เราทำกันในตอนนี้ตอนนี้เป็นเพียงการมาชิมเหมือนกับมาชิมอาหารวันพระมาลองบวชสักวันหนึ่งบวชแล้วดีก็ต่อไปก็จะได้บวชเพิ่มขึ้นจากวันเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันต่อไปก็บวชมันทุกวันเลยต่อไปก็ไม่ต้องกลับบ้านอยู่วัดไปเลย เพราะว่าไม่มีอะไรจะอร ե ตอร่อยเท่ากับรสแห่งธรมรมรสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงถ้าลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบแล้วจะติดใจจะไม่อยากชิมอาหารอย่างอื่นจะไม่ชอบรสอย่างอื่นจะไม่ชอบรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะจะไม่ชอบรสของลาบยศสารเสริญจะชอบรสแห่งธรรมคือความสงบ ก็จะมาบวชกันมาถือศีลแปมาถือศีลสิมาถือศี ล, ล, ล227แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาควบคุมใจทำใจให้สงบด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปในทุกอิริยาบวตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปแม้ว่าจะทำอะไรจะอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันจะผีผ้าวีผม จะแต่งเนื้อแต่งตัวจะรับประทานอาหารจะทำงานทำการก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงขนมนมเนยอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงแฟนอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเงินคิดถึงทองเพราะว่าถ้าคิดแล้วมันจะเกิดความอยากได้ของต่างๆขึ้นมาแล้วจะทำให้เราไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้ ถ้าเราสามารถจเจริญพุโทโธไปได้ทั้งวันควบคุมความคิดได้พอเรามีเวลาว่างเรานั่งหลับตาเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะตกหลุมตกบ่อลงไปแล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงจะพบลดแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงพอเกิดได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้แล้วก็เกิดก็จะมีความยินดี ในลถแห่งธรรมจะไม่ยินดีกับลาบยศสรรเสริญจะไม่ยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสจะอยากปฏิบัติอย่างเดียวอยากจะทำใจให้สงบอย่างเดียวเพราะเวลาสงบนี้มันมีความสุขยิ่งกว่าถูกร ต, ตรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสตินั่งสมาธิพอเราได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามารักษาความสงบอันนี้ความสงบอันนี้มันจะถูกทำลายเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเวลาเห็นขนมอยากจะกินขึ้นมาเห็นเครื่องดื่มอยากจะดื่มขึ้นมาความสงบมันจะหายไปทันทีถ้าเราไม่อยากให้มันหายเราก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปทำการไปทำตามความอยากจะพาให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ได้ทำให้เราหยุดการเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวกินปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก็อยากอยากจะกินอีกและเวลาไม่เวลาอยากแล้วไม่ได้กินก็จะทุกข์เวลาแก่เวลาเจ็บไม่ได้กินก็จะทุกข์สู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะใจมีความสุขในตัวเองแล้วไม่ต้องมาหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันต์ทั้งหลายมีกันอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าพาาาระอรหันต์ทั้งหลายนี้ไม่ได้หายสาบสูญไปไหนท่านก็ยังมีใจเหมือนพวกเราอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเราเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะท่านรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เวลามีร่างกายแล้วนี้ต้องทุกขกับการ เรียงปากเลียงท้องต้องทุกกับการป้องกันดูแลรักษาร่างกายไม่ให้ภัยอันตรายต่างๆมาทำลายร่างกายแล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ทุก์กับความเจ็บทุก์กับความตายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีทุกข์เรื่องราวเหล่านี้แต่ใจไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังอยู่ในโลกทิพย์ใจของเราทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์ ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ใจของเราส่งกระแสดวงวิญญาณมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่ร่างกายส่งไปให้ใจจากใจไม่ได้อยู่กับร่างกายเวลาร่างกายตายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ามีความอยากก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหมก็มาทุกข์ใหม่ถ้าไม่มีความอยากหมดความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไป นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติทางศีลภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ได้รับคือจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันฟันหมดนี่คือประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับจากการที่มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่เราต้องไปขึ้นรางวัลกันเราต้องไปปฏิบัติกันต้องไปศึกษาไปศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัต ถ้าได้มาเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่มากพออย่างตอนนี้พวกเรายังปฏิบัติไม่มากพอกันพวกเราก็ทําทานอาทิตย์ละครั้งรักษาศีลอาทิตย์ละครั้งฟังเทศน์ฟังธรรมอุปัฏฐากครั้งอันนี้ยังไม่พอพระพุทธเจ้าพระสาวโกนี้ท่านทําทานหมดมีเท่าไหล่เสียสละไปหมดรักษาศีลทุกวันทุกคืน ปฏิบัติทุกวันทุกคืนถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถึงจะได้เป็นพระอาหารหันต์กันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเราก็ต้องทำแบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้กระทำกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อเป็นการขึ้นรางวันที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา คือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตะนตรัย